น้องน้องพระรถนไใยขอโอกาสนลองพ่อบุญธรรมพระเทรานเทระแล้วก็เพื่อนศรัทธาทุกท่านจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็นั่งนั่งฟังธรรมหรือนั่งปฏิบัติธรรมกันตามปัทิยาใสเนาะนั่งกันทำสบายให้ทำจิตทำใจเราให้ให้สบาย ใจที่สบายอะไรใจิตใจที่มันมันว่างนะว่างจากความคิดนะว่างจากความสงสัยว่างจากความนะอดหูง่วงนอนคลนะ้ายเหมือนกับแก้วน้ำนะักที่ว่างเปล่านะแก้วแก้วน้ำที่เปล่าก็จะเติมน้ำอะไรลงไปในแก้วมันก็ย่อมได้นะใจิตใจของเราที่ที่โล่งที่โปง่งที่ว่างก็ มันก็สามารถที่จะเติมนะเติมความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการได้ฟังเ น, น้นเข้าไปได้นะแต่ไม่ใช่ว่าพยายามที่จะต้องแบบให้มันไม่คิดเนาะหรือพยายามให้มันต้องแบบไม่มีความรู้สึกอะไรต่างๆนะมันจะคิดมันจะรู้สึกก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ให้ใจของเราเนี่ย ไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปยึดติดกับมันนะเปียบเหมือนกับคล้ายแก้วน้ำกับน้ำเนี่ยมันเป็นคนส่วนกันเนาะน้ำจะเป็นน้าอะไรก็แล้วแต่ น, ะน้ำปลาน้าอดัดลมหรือว่าเบียร์หรือเหล้าเนาะมันอยู่ในแก้วเนาะแต่จริงมันไม่ได้ติดกับแก้วนะแก้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะน้ำนะของเหลวก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จริงจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันจิตใจกับความคิดก็เป็นคนละส่วนกันจิตใจกับความลังเลสงสัยก็เป็นคนละส่วนกันเนาะถ้าเราเห็นจิตเห็นใจจริงๆเราจะเห็นว่าเออที่มันคิดที่มันหลงเนี่ยมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจที่เป็นปกติจริงๆหรอกนะ มันเป็นเพียงแค่ความหลงความคิดเข้ามาแทรกนะบางขณะเท่านั้นนะถ้าเรารู้ทันนาะเราจะออกเราจะตื่นออกออกจากมันได้แต่ถ้าเราเผลอเนะี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นเนาะเนะข้าไปเป็นผู้หลงเข้าไปเป็นผู้คิดเข้าไปเป็นผู้สงสัยนะเข้าไปเป็นผู้หดหมูก่การสุกตินะตามแนวทางที่หลวงพ่อเทียนท่านได้สอนพวกเราไว้ก็คือ การสร้างความรู้สึกตัวก็คือการปลุกให้เราตื่นออกมาจากความหลงนี่ยแหละนะไม่มีอะไรมากคนนั้นเพราะชีวิตจิตใจถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็จะอยู่กับความหลงเอนะหลงอะไรบ้างหลงทางตานะตาเห็นรูปนะหลงชอบหลงชังนะหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะเนะหลงชอบหลงชังหรือเปล่านะอย่างเมื่อคืนเนาะ นอนฟังเพลงนะหลงชอบของทางถูกไ ห, หมหนบหูไหมติตใจเรารู้สึกแบบไหนพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นมาอาหารหของดื่มก็เหมือนกันเราหลงทางปากทางลิ้นหรือเปล่ารสชาติที่เราได้สัมผัสทุกอย่างนะที่มันสัมผัสทางทางกายแล้วก็ทางใจนี่แหละ ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเนะนาะอายจตนะภายนอกภายในมันกระทบกันเนี่ยเรามีสติรู้เท่าทันหรือเปล่าเนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันเนาะความหลงมันก็เข้ามาไม่ได้นะแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยความหลงก็เข้าอยู่ในใจของเราเนาะกลายเป็นผู้โกรธกลายเป็นผู้รักกลายเป็นผู้ชังกลายเป็นผู้ดีใจเสียใจ นี่แต่ถ้าเรามีสติเราจะเป็นผู้ไม่เป็นอะไระกับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งสําคัญเนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์นะั่นสอนว่าถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะกลายเป็นเป็นผู้ดูนะดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นดูสิ่งต่างๆที่มันแสดงให้ให้เห็นนะอะไรต่างนะดูมันตะพืตะพือไปเต็มนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกายนี้นะดูตะพื้ตะพื้นนะ อย่างตอนเนี Stone, mind, ้ยเราก็ดูดูกายมันเคลื่อนนะกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้นะดูแบบนี้เห็นกายมันเคลื่อนนะใจเป็นผู้เห็นเห็นกายมันหนาวนะใจก็เป็นผู้เห็นนะเห็นกายมันปวดมันเมื่อยเห็นกายมันเจ็บก็ให้ใจเป็นผู้เห็นจนสุดท้ายถ้าสมมุติเห็นกายมันจะตายนั่นนะมันก็เป็นผู้เห็นนะ แต่ถ้าเราไม่เป็นผู้เห็นเราก็จะเป็นผู้เป็นครับเราเป็นผู้หนาวเป็นผู้ทุกเป็นผู้เจ็บเป็นผู้แก่เป็นผู้ตายนะเมื่อเราเป็นเมื่อไหร่นะมันทุกตรงนั้นน่ะทุกเพราะเป็นอย่างที่ว่าอุปทานนะอุปทานคือการยึดมั่นนะในขันนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเป็นรูปนะรูปประคันมันก็ทำให้เกิดความทุกข์นะ พอรูปมันเปลี่ยนพอรูปไม่เป็นหนังใจมันก็เป็นความทุกข์ของใจไปด้วยจิตใจก็เหมือนกันนะเราก็เป็นผู้ดูมันแสดงเหมือนกันนะได้จะเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันนะดูดูอาการที่เหมือนเกิดขึ้นกับจิตนะมันไม่ใช่จิตที่แท้จริงนะดูเราปฏิบัติเราไม่ได้ห้ามความคิดดังนั้นบางทีปฏิบัติแล้วมันอาจจะคิดมันอาจจะฟุ้งซ่าน มาจจะไม่สงบนะไม่เป็นไรนะมาเชื่อ ว, ว่าหลายคนที่เคยปฏิบัติมานานก็คงพอเข้าใจแล้วอ่ะแต่บางคนพอปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียนใหม่ๆก็จะเอไม่ค่อยพอใจที่มันคิดมากนะไม่ค่อยพอใจที่มันไม่ค่อยสงบเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เน้นการทําสมาธิไม่ได้เน้นความสงบแบบไม่รู้แต่แม้ปฏิบัติไปแล้วมันอาจจะคิด คิดก็แค่รู้ว่ามันคิดนะเราไม่เข้าไปอยู่กับความคิดเนี่ยมันจบแล้วนะแต่บางทีถ้าเราไปไม่พอใจที่มันคิดเนี่ยก็คือเราไปมีความอยากที่จะห้ามความคิดมีความไม่ชอบในความคิดเนี่ยคือเราเข้าไปถล่มล ะ, ะ <c oughs> จิตตอนนั้นเรามีอะไรมีโทสะจิตตอนนั้นเราคือความไม่พอใจก็คือมีโทสะมีความไม่ชอบที่มันคิดนะ มีความไม่ชอบที่มันม่วงนอนนะมีความไม่ชอบที่มันพุ้งซานนะแต่จริงถ้าเราแค่เห็นมันนะถ้าเห็นอาการเนะี่ยมันเหมือนผ่านมาผ่านไปนะนะนะมันรู้สึกยินนะมันเห็นยินนะนะแต่เราไม่เป็นกับมันทำเหมือนคล้ายๆนะเหมือนเรายืนอยู่นะบนตึกหรือยืนอยู่ ที่ไหนก็นแล้วแต่นะแล้วก็มองไปดูตรงถนนเนาะดูรถเขาวิ่งผ่านมาผ่านไปนะเราไม่ต้องไ ป, ไปอยู่กลางถนนไปคอยจัดการรถให้มันเบรให้มันวิ่งเป็นระเบียนบะเราเพียงแค่ยืนอยู่บนถนนยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ดูรถเขาวิ่งผ่านมาผ่านไปเนะี่ยเราไม่เราไม่ต้องไปเหนื่อยเราไม่ต้องไปรุกอะไรนะถ้าเราแค่แค่ดูเฉย แต่ดูจิตใจของเราก็เหมือนกันนะเราดูนะมีสติเป็นผู้ดูเนะี่ยเห็นความคิดเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นในจิตใจนะั่นแหละมันก็ผ่านมาผ่านไปนะไม่ต้องเข้าไปเจ็ดตาเนะียแต่บางทีนักปฏิบัติธรรมเนาะพอบอกบอกเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยแรกๆนี่ก็จะแบบตั้งท่าก่อนเนาะตั้งท่านั่งให้มันมธรรมะธรรมงอ่ะอันนั้นโอเคพอได้เยอะ แต่บางทีเราไปตั้งท่าใจเราให้มันแบบแข็งแขนะ็ ง, งเนี่ยเฉยเฉยซึมๆึมเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะนะไม่ต้องตั้งท่าใจให้มันเฉยเฉยซึมๆึมนะเราเียแค่ว่าเตรียมพร้องวนะ่าเออนะจัดปฏิบัติธรรมเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไปสร้างภาพตัวเองให้มันผิดธรรมชาตินะปฏิบัติธรรมที่จริงคือการคืนความเป็นธรรมชาติให้กับกายกับใจเนี่แหละ คือความเป็นธรรมชาติก็คืออะไรคือความเป็นปกติเพราะกายใจที่แท้จริงคือความเป็นปกตินะคืนความเป็นปกติก็คือว่าให้เราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นธรรมดาที่สุดให้เป็นธรรมชาติที่สุดให้ผ่อนคลายที่สุดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเกรงเราเพ่งเราจ้องเราอยากมากเกินไปเนี่ยคือใจมันไม่ปกติแล้วนะ เราต้องคอยสังเกตนะสังเกตดูบางทีความไม่ปกติของกายแต่ของใจเนี่ยมันก็ส่งผลต่อกายด้วยนะบางทีเนี่ยเราสังเกตดูก็ได้เราเดินจงกรมก็ดีเราตั้งจังหวะก็ดีหรือเราจะทํากิจวัตรอย่างอื่นก็ดีเนะ่ยถ้ามันมีอาการเกร็งเพ่งจ้องนะในกายในรูปเนี่ยเราก็รู้ทันแล้วก็ผ่อนคลายนะเนะี่ย ทีเราเดินจงกรมเนี่ยโอ้เดินไปไม่กี่นาทีเนี่ยปวดเมื่อยยะเพราะอะไรมันจ้องมันเพ่งเนียมันอยากจะรู้นะทําให้เดินแบบนะเดินไปก็เกรงเกงไม่เป็นธรรมชาตินะเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดานะแต่พอเดินเนี่ยกายเป็นหุ่นยนตนะ์มันเป็นจังหวะ เ, ออเกินไปนะนะนะมันเกรงมันกลัวจะหลงเกินไปเนะี่ย เราก็ให้มีสติคอยรู้ทันเนาะรู้ทันแล้วก็ผ่อนคลายเดินนี่เป็นธรรมชาติที่สุดเดินให้เป็นธรรมดานะที่จริงจะเดินท่าไหนเดินเร็วเดินช้าเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวขอเพียงแค่ให้เรารู้ตัวว่าเราเดินอยู่แค่นั่นแหละนะคนหนุ่มอาจจะเดินคล่องเดินเร็วนะคนแก่จะเดินช้านะเดินเฉื่อยหน่อยแต่ก็คือธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ ธรรมชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็แค่กลับมาหาธรรมชาติที่เป็นปกติธรรมชาติที่ผ่อนคลายของเราเน่แหละเรากลับมาตรงนี้นะจิตใจมันก็จะได้เป็นปกติหรือบางทีเราก็สังเกต ด, ดูการวางหน้าวางตาของเราเนาะ ม, มันเป็นแบบไหนทำไปชิ้วผูกโบไม่นะทำไปมันตึงมันเครียดไหมนะทำไปมันหายใจ ท, ทีีหายใจไม่สบายไหมนะ แล้ก็สังเกตดูร่างกายเลยนะเออบางทีเราทําไปนานๆมันก็เผล่นะเผลอเข้าไปเครียดเผลอเข้าไปเพนะิแล้วก็ผ่อนคลายออกมาอันนี้คือบางทีเราปฏิบัติทำเนาะมันไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ากายมันเคลื่อนไหวนะในท่าต่างๆแต่เราต้องรู้สึกกายนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะต้องรู้ทันร่างกายทั่วพร้อมนะทั้งหมดเลยนะ บางทีเราไม่ใช่รู้แค่เท้าที่เดินมือที่เคลื่อนยกไปยกมาแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่ากายโดยภาพรวมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นอย่างไรนั่งไปเกงหรือเปล่าใบหน้าใบตาเส้นหรือเปล่าแต่ไม่ต้องว่าต้องไปสารวจทุกนาทีหรือะไรเนาะที่จริงถ้าเรามีสติเนี่ยสติมันจะเป็นคนคอยคอยเช็ดของมันเองนะแต่เรามีสติรู้ตัวคนปกติเนี่ย อะไรที่มันผิดปกติเนี่ยมันมันจะมันจะเตือนนะเตือนพอมันรู้แล้วก็มันจะคลายของมันเองนะสติจะทําหน้าที่คอยคอยผ่อนค่อยคลายความผิดปกติออกไปจากร่างกายแล้วก็จิตใจนะเราต้องสังเกตเ ร, รือ่องนี้เนาะนักปฏิบททัตนะิธรรมบางทีให้ทําแบบสบายๆนะให้ทําแบบผ่อนคลายนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะบางทีปฏิบัติธรรมไปแล้วนะ ต้องคอยดูทันนะเวลาใจมันอยากอยากจะรู้นะนะหรือว่าเวลามันไม่อยากนะไม่อยากที่จะหลงนไม่อยากที่จะคิดนะหรือเวลามันง่วงนอนนะบางทีเราก็เกิดความไม่ชอบนะอยากให้มันตื่นนะตื่นตืนตื่นะทําทุกวิธีทางให้มันตื่นนะที่จริงแต่ทาวิธีทางให้มันตื่นโดยการทำเร็วๆโดยทำอ่าไป ออ ก, กําลังกายอะไรอย่างอื่นก็ได้นะแต่ที่จริงเราก็ต้องรู้ทันเลยนะว่าใจเราตอนนั้นมันมีความไม่พอใจไหมนะถ้ามันมีความไม่พอใจนะเราก็ต้องนระักความไม่พอใจนั้นออกไปนะเพราะที่จริงสตินะไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือว่าธรรมนะในฐานไหนก็แล้วแต่อนะมันจะบอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจ ออกจากโรคเสียได้นะโรคในที่นี้ก็คืออะไรโรคในที่นี้ก็คือจิตใจเราเนี่ยแหละนะเรามีสติเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรนะถอนความพอใจความไม่พอใจนะในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยออกออกไปให้มันได้เนี่ยคือมีสตคิคือมีตรง น, นี้นะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีสติก็าฝึกสติอยู่แต่พอมันโกรธไม่รู้ทันพอมันหงุดหงิดไม่รู้ทันพอมันไม่พอใจไม่รู้ทันเนะีย ความพอใจก็ไม่รู้ทันเองเนะี่ยไม่มีสตินะไม่ว่าเราจะยกมือมากขนาดไหนเดินมากขนาดไหนนะแต่ถ้าเราทำไปแล้วไม่รู้ตัวนะไม่รู้ทันกายไม่รู้ทันใจอย่างจริงๆนะไม่สามารถนะถอนความพอใจความไม่พอใจออกไปได้เนี่ยนะนะเรียกว่าขาดสตินะนะขาดสตินะแต่บางทีมันก็ทำใหม่ๆหรือบางทีไม่แต่ทำนานๆนะ มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติตลอดทั้งวันทั้งคืนนะบางทีเราต้องแบบรู้จักปลอกตัวเองบ้างรู้จักเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงบ้างนะนะจะให้มีสติตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเรายังไม่ใช่เป็นพระรหาร น, นะนะมันก็ต้องมีช่วงที่หลงบ้างนะแต่หลงไปแล้วนะก็แล้วไปนะไอ้ที่มันหลงไปแล้วแล้วเรารู้ว่ามันหลงนะอั น, นั่นก็ถูกแล้วนะ ตอนที่เรารู้ว่าเราเผลอไปนะดื่มตัวใจลอยหรือเผลอไปคิดอะไรนะนะเราหลงไปแล้วก็ช้าหัวมันนะก็รู้ว่ามันหลงอดีตมันแก้ไม่ได้เนาะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่พอเรารู้ตัวแล้วเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนะี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันวางอดีตที่เคยหลงวางอดีตที่เคยคิดนะกลับมาอยู่ที่การกระทําในปัจจุบันนะ ใหม่ๆนะการกลับมาหากายนะที่กำลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นการเป็นการเตือนที่ได้ง่ายนะเตือนให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนะกลับมาดูนะดูกายมันนั่งยกมือสร้างจังหวะนะดูกายมันเดินนะดูกายเขาทำกิจต่างๆนะพอกลับมาดูกายเนี่ยมันจะวางจากความคิดต่างๆได้เพราะว่าอะไร จิตเรามันนับรู้าอารมณ์ทีละอย่างนะเมื่อจิตเมื่อกี้มันเผลอไปคิดพอเรารู้ทันแล้วว่ามันคิดนะเรากลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวเนะี่ยจิตมันกลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวจิตมันก็ไม่คิดละนะมันก็วางความคิดชั่วขณะหนึ่งนะแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆนะอาจจะเผลอไปคิดอีกนะก็ไม่เป็นไรนะเผลอไปกี่ครั้งก็งไม่เป็นไรนะที่จริงยิ่งเผลอบ่อยเท่าไหร่ถ้ารเรารู้ทันว่ามันเผลอไปเนะี่ยก็คือมีสติเหมือนกัน มีสติได้เหมือนกันแต่พอสติมันตั้งมัน่นมีสมาธิมากขึ้นนะ่ะความเสื่อมมันก็น้อยล ง, งไปของมันเองเพราะว่าใดเพราะจิตมันตั้งมัน่นมันก็ไม่ไหลนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นริมรสก็สักแต่ว่าริมรสนะกายสัมผัสก็สักแต่ว่ากายสัมผัสจิตใจคิดนึกปรุงแต่งก็เหมือนกันก็สับแต่ว่านะสับแต่ว่าเป็นอาการแต่เราไม่ไม่เข้าไป ถล่มเนะี่ยไปอยู่ในอาการนั้นนะั้นนะมันรู้นะรู้แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเนะี่ยนี่คือสภาวะนะมีสตนะิเราพยายามฝึกเนะี่ยสภาวะเนะี่ยการเป็นผู้ดูนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราดูมันแต่พื้นะพือพ อ, อย่างที่บอกนะ่ะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายหรือกับใจเนะี่ยเราดูมันนะแบบไม่ต้องเข้าไปไปห้ามมันนะสิ่งสาคัญคือไม่ต้องไปพยายามที่จะห้าม ไปกำหนดไปบังคับนะไปคอยจ้องนะแต่อีอย่างหนึ่งก็คือความเผลอนะเผลอไปกับอารมณ์ไปกับความคิดนะบางทีเรายกมือตั้งจังหวะก็ดีนะหรือเดินจงกรมก็ดีบางทีทําไปไดแกล่เนี่ยมันก็มีสตินะค่อนข้างดีมีความตั้งใจมีความตั้งมั่นดีแต่พอทําไปนานๆบางทีมันมันเผลอเข้าไปคิดนานนะ ทำไปนานๆแนละ้วมันก็พลาดแล้วก็มันก็เบอร์นะมันก็ไม่ค่อยชัดนะบางทีนะมันก็อาจจะเผลอไปคิดไดนานนะเราก็ต้องคอยบางทีก็ต้องคอยเปลี่ยนท้าเปลี่ยนทางบ้างก็ได้นะออไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งนานๆเดินนานๆถึงเจตีเนาะถ้าทํานานๆแนละ้วมันมันพลาดมันเบอร์มันไม่ชัดนะก็เปลี่ยนนะนะง่วงนอนมากๆนั่งไปก็ตะปงงกไม่ไหวก็ ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาไปเดินบ้างนะเดินไปนานๆมันคิดมากนะกลับมานั่งยกมือนะ่ให้มันชัดๆให้มันแรงๆบ้างนะจิตมันก็จะ้ตื่นออกมาจากความดลงนะเพราะจริงปฏิบัติธรรมมีสติเนะี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราทําเราทําอะไรนะแต่ขึ้นอยู่ว่าเราทํามันอย่างไรนะเราทํามันอย่างมีสติไหมนะไม่ใช่สักแต่ว่า ทำไปแล้วไม่รู้ตัวว่าทําอะไรอยู่นั้นจะทําอะไรเนี่ยไม่สําคัญนะแต่เรามีกากฬาที่สําคัญในตอนนี้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าการฝึกในรูปแบบเนี่ยมันก็ช่วยให้เรากลับมามีสติดได้ง่ายนะกว่าการทํานอกรูปแบบนะสําหรับคนที่ทําใหม่ๆนะหรือคนที่อยากจะทําให้มันเป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันสักหน่อยเนาะการฝึก อย่าต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยได้ง่ายนะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่ทงหลับเนี่ยเราพยายามมีส ต, ติให้มากที่สุดนะทาเยอะๆนะทําเยอะๆนะบางทีทําเยอะนะหลายชั่วโมงนะเป็นสิบกว่าชั่วโมงก็ดีนะแต่มันไม่ได้รู้ตลอดนะทุกนาทีทุกวินาทีที่เราเคลื่อนไหวก็ไม่เป็นไรนะนะสมมติถ้าเราทำสิบชั่วโมงนะเรารู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งเนี่ย อย่น้อยก็เกิดการรู้ตัวสักห้าชั่วโมงใช่ไหมถ้าทำสิบชั่วโมงนะมันมันก็ยังดีนะดีกว่าบางทีเราไปทําอย่างอื่นนะไปทําอย่างอื่นมันอาจจะรู้ตัวได้น้อยเพราะว่าความหลงความเพลินเนี่ยมันชวนชวนให้เราออกไปเยอะเนาะนะนะเช่นการเพลินไปกับอะไรเพลินไปกับการพูดคุยเนี่ยขาดสติได้เยอะเลยนะพูดคุยตอนแรกก็ว่าจะสนทนาธรรมกัน คุยไปคุยมาไปคุยเรื่องอาธรรมกันก็เยอะนะไปคุยเรื่องอดีตไปคุยเรื่องอนาคตไปคุยเรื่องที่มันทําให้เพลอสติไปได้ง่ายแต่บางทีแต่ถ้าเราคุยอย่างมีสติกล่ะเราก็รู้นะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรนะแต่เรามีโอกาสมาตอนนี้ก็พยายามพูดคุยให้น้อยที่สุดนะเหมือนที่ต้องพ่อเทียนท่าน ท่านพูดไปน้องมาเช้าก่อนทำวัดนะก็ได้ยินเออหลวงพ่อเรียนท่านไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาพูดคุยกับใครนะว่าตั้งใจฝึกตัวเองเอะเรามางานปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีเจอเพื่อนใหม่ใหม่หรือบางทีเจอเพื่อนเก่าๆที่เคยเจอกันไม่ได้เจอต น, นานกลับมามันอยากจะคุยกันอยากจะพูดกั น, อ ย, กกนอยากจะหาเพื่อนนะ่ะที่เราต้องยับยัง้งใจของเราด้วยเนาะ เรามาที่นี่เนาะเราตั้งใจมาฝึกติดนะนั้นถ้าพูดคุยก็เท่าที่จำเป็นนะแต่เราเอาเวลานะมากลับมาดูตัวเองเพราะจริงตัวเราเองเนี่ยอยู่กับตัวเราเองไม่รู้กี่ปีหลายสิบปีนะแต่เราไม่รู้จักตัวเราเองนะไม่รู้จักเลยนะว่ากายเป็นแบบไหนใจเป็นแบบไหนนะไม่ใช่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าฐานะเราเป็นอะไรเนาะแต่เราไม่รู้ทัน ไม่รู้ทันมันสักทีเลยตายมันหลอกเราใจมันหลอกเรานะมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติตายมีสตินะคล้ายๆกลับมารู้ทันพอกลับมารู้ทันน่ะมันหลอกไม่ได้เหมือนเราจับโจรจับผู้ร้ายน่ะตำรวจก็ดีหรือพลเมืองดีก็ดีนะมันจะจับโจรผู้ร้ายได้ก็คือตอนไหนตอนที่มันรู้ทันนั่นแหละรู้ทันว่าเขาแอบมาขโมย ของเราเนี่ยเราเห็นมันค่าหนังค่าเขาเนี่ยจับได้ค่าหนังค่าเขาเนี่ยมันก็ยอมรับยอมจํานวนจิตใจก็เหมือนกันนะตอนที่มันมาหลอกให้เราโกรธเนี่ยแล้วเรารู้ทันเนี่ยมันจับได้ค่าหนังค่าเขาเนี่ยความโกรธมันตกไปต่อหน้าต่อตาเนะมันจะเห็นเลยว่าเออารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วพอมีสติเนี่ยมันดับไปเออมันดับไปของมันนะอืม มันจะเห็นว่าทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อมีสติเกิดขึ้นเนี่ยมันมันดับไปต่อหน้าตาตาโอ้นี่เนาะเห็นเห็นอาการเกิดดับของความคิดนะของนามรูปเนี่ยโอกมันเป็นแบบนี้จิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งพอมีสติโอกมันมันหายไปเลยนะเออเหมือนเราจับโจรจับขโมยได้เนี่ยมันก็มันก็สารภาพนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะ เหมือนเราคบกับเพื่อนคบก็บมิตรคบกับใครก็แล้วแต่พอเรารู้ทันนะเขาขี้โกงเขาไม่ดีเนี่ยเออเรารู้ทันนะมันก็หลอกเราไม่ได้นะนะเราจะระวังตัวเราจะไม่เผลอไปเชื่อเขาไม่เผลอไปยอมเขานะจิตใจก็เหมือนกนกัอารมณ์ความคิดความรู้สึกเนี่ยมันหลอกเราเก่งมากนะเดี๋ยวก็หลอกให้รักเดี๋ยวก็หลอกให้ช่างนะเพราะเนียมันคอยมีสติคอยรู้ทันร่างกายเนี่ยมันจะเห็นจิตใจที่มัน คอยเผอ่นะคอยฝุดคอยแท้ก็ามาหลอกนะเราบอกเราจะดูแต่กายเคลื่อนไหวมันดูไม่ได้หรอกนะเราดูกายเคลื่อนไหวพอให้มันคล้ายๆเป็นหลักให้มันได้กลับมาพอปลุกให้มันมีการเคลื่อนไหวมันจะได้ไม่จมกับความคิดนะหรือวันจีไม่จมกับความสงบด้วยนะการเคลื่อนไหวเนี่ยนอกจากจะทำให้เรากลับมาจากความคิดได้อีกอย่างหนึ่งคือมันทาให้เราไม่ ไม่เข้าไปติดในความสงบมากเกินไปนะเพราะบางทีถ้าเรานั่งนิ่งๆนั่งหลับตาเฉยๆเนี่ยนะบางทีถ้าไม่ใจรอยไปคิดเลยก็ดิ่งในความสงบเนาะนอกจากคนที่ทำจนชำนาญแล้วก็สงบก็รู้ว่าสงบนะหรือบางทีก็ไม่ได้อยู่ในความสงบอย่างเดียวก็มีความรู้สึกที่มันนิ่งๆเบาๆในการรู้ตัวนะมันก็ได้เหมือนกัน แต่เทคนิคแบบหลวงพเทียเนเออการสร้างการเครื่องใหวบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราตื่นนะปลุกตัวเองตื่นจากความม่วงนะอย่างเช้าๆบางทีก็ม่วงเนาะนะขยับตัวนะบางทีม่วงมันก็อยากจะดับตาม่วงก็อยากจะคอตกอนะม่วงก็อยากจะเฉยๆนะเราก็ขยับตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมานะจิตใจก็เหมือนกันนะื่อกีมันก็ซึมซึมนะ ซึมจิตใจมันซึมก็อืมมองไปไกลๆนะมองนะมองดูนั่นมองดูนี่ให้จิตมันออกมาจากความซึมบ้างนะนะมาจะพุ้งนิดๆนะจากการมองจากการเห็นสิ่งต่างๆแต่มันก็ทําให้่อมาจากความความซึมนะพอออกจากความซึมแล้วดูตัวเออเออก็ เ, เ, เห็นว่าจิตเราไปเผลอไปมองอ่ะจิตมันเผลอไปคิดน่ะมันมีส ต, ติละมันกลับมานะ มันซึมๆึมก็ไม่เป็นไรนะก็พยายามฝึกออกให้มันออกมาจากความซึมความคิดเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะบางทีถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะถลําไปกับเขาตลอดอีกอย่างหนึ่งก็อย่างว่านะพอบางทีเราปฏิบัตินานๆชานาญเนี่ยบางทีมันกลายเป็นสมาธะกลายเป็นสมาธิมากเกินไปมันสงบในบางทีมันเฉยเฉยมันไม่คิดเนี่ยมันบ้องว่างนะ อันนั้นเราก็ต้องให้รู้ทันนะบางทีมันมันว่างเกินไปมันนิ่งเกินไปเนี่ยถ้ามันนานๆเป็นหลายชั่วโมงนะหรือบางคนเป็นหลายวันว่าจะเองว่างไม่คิดอะไรเลยเนะี่ยต้องรู้ทันนะมันมันเผลอเป็นติดส ม, มาถะแล้วนะจะทําแบบไหนนะก็ยังนะกลับมารู้ตัวบ่อยๆนะหรือบางทีถ้ามั น, นยังกลับมารู้ตัวแนละ้วมันก็ยังซึมซึมอยู่ บางทีอาจจะต้องหาเรื่องคิดได้รรมนะหาเรื่องคิดนะแต่อาจจะคิดเช่นคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงบทธรรมะนะคิดในสิ่งที่เป็นกุศลให้มันตื่นขึ้นมาหรือบางทีอาจจะต้องคิดพยยนนะิจารณาในใตรักนะดูความไม่เที่ยงของรูปดูความเป็นทุกข์ของรูปนะดูความไม่ใช่ตัวตนของรูปดูนามด้วก็ได้นะอะไรก็ได้นะที่มัน ทำให้จิตมันออกมาจากความความนิ่งเกินไปเพราะน่ะความนิ่งความสงบเนี่ยมันทําให้เราเหมือนมันแช่นะเอะมันแช่หรือวเตียนก็จะบอกมันเหมือนมันเหมือนอยู่ในถ้ำน่ะมันเหมือนอยู่ในถ้ำน่ะมันมืดน่ะเป็นความมืดสีขาวที่มันที่มันหลอกหลอกเราจะความเป็นจริงแต่การที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย คือการให้เรามารู้นะรู้ตามความเป็นจริงอะไรที่เกิดขึ้นจริงนะในปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้มันตามที่มันเป็นจริงนั่แหละนะถ้าเรารู้มันตามความที่เป็นจริงนะมันจะเกิดปัญญานะเพราะอริยสัจก็คือนี่แหละนะการที่เรารู้นะสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนะสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนชัดเลยมากว่ากายใจเนี่ย คือมันเป็นตัวทุกข์การที่เรามารู้กายใจคือการมารู้นะรู้สภาวะทุกข์นะนะเราตรงถูกการปฏิบัตินะการยืนสติเนี่ยกลับมารู้กายรู้ใจเนี่ยคือการรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงนะนะเป็นวิธีปฏิบัติที่ตรงที่รักนะไม่อ้อมค้อมนะไม่อ้อมค้อมวิที วิธีการหรือว่าในศาสนาเราน้าจมีหลายอย่างนะมีทำบุญทำทานมีรักษาศีลมีการทำสมาธิแต่สิงึงพวกนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาจริงๆนะมันจะไปติดแค่ความความดีใจความสุขใจความสงบใจเฉยๆแต่มันจะไม่ตรงเข้ามาสู่การรู้ทุกข์ต่างความเป็นจริงเราสังเกตไหมบางทีเราทำบุญเนะี่ยใจมีปิดติดนะ แต่มันไม่รู้ทุกนะหรือบางทีทําความดีต่างๆเนี่ยมันก็ดีใจนะแต่มันบางทีถ้าใจมันก็ยังอยากจะคาดหวังให้เขาอนุโมทนากับเราให้เขาตอบแทนอะไรเราหรือเปล่าก็ไม่ดูนะรักษาจิลก็เหมือนกันรักษาจิลเนี่ยรู้ทุกไหมหรือรักษาจิลแบบฉันอยากจะเป็นผู้ที่จะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลคนอื่นเขามองเราแบบนั้นหรือเปล่า แต่การเจริญสติเนะี่ยเป็นการเดินทางสายตรงมาเรียนรู้จากความทุกข์จริงๆนะครับท่านคนพบธรรมะก็คือการเข้าใจอริยสัจสี่เ น, ะนะนะี่ยแหละการกลับมาดูทุกข์เนะนะี่ยแหละท่านก็ว่ากายใจเนี่ยคือตัวทุกข์เรากลับมาดูทุกข์จริงๆแนละ้วดูได้มันทุกข์จริงหรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นทุกข์นะมันก็ยากที่จะใครายการ ย, ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนะเนะี่ เพราะเรายังมีความคาดหวังมีความอยากให้กายเรามีความสุขมีความสบายนะ <Okay. S 2> อยากให้ใจเรามีแต่ความสุขมีความสบายเนี่ยนะ uh huh. เราจึงเชื่อว่าเราจะทำแบบนั้นได้ตลอดนะเหมือนเราเชื่อว่าร่างกายของเรานะมันต้องไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเนะี่ยมันทำได้ไหมนะ uh huh. ไม่เจ็บอาจจะพอทำได้ในบางขณะแต่ไม่แก่นี่ก็ทำไม่ได้เนาะ มันแก่ขึ้นทุกวันนะออไม่ตายเนี่ยก็ห้ามไม่ได้ใช่ไออแต่จริงเราก็ห้ามมันไม่ได้จริงๆนะร่างกายเนี่ยมันจะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ห้ามไม่ได้นะเราจะกั้นลมหายใจเพียงแค่นาทีเดียวเนี่ยก็กั้นไม่ได้นะอืมมันเป็นธรรมชาติของมันนะเราดืมตาอยู่เนี่ยจะบังคับไม่ให้มันกระพริบตาเลยเนะี่ยก็ทําไม่ได้นานหรอกนะธรรมชาติของมันมันเป็นของมันเองยิ่ง โดยเฉพาะอวัยวะภายในเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงมันทางานของมันเองเลยมันเป็นเราสักที่ไหนเราตั่หัวใจให้มันเต้นได้ไหมสั่งตับสั่งปอดให้มันทํางานได้ไหมสั่งไม่ได้นะที่จริงเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาแสดงแสดงใจรักให้เราเห็นตลอดเวลาเลยนะเราเพียงแค่เรียนรู้มันแล้วก็อยู่กับมันให้มันได้ตอนไหนที่กายมันทุกข์ ตอนไหนที่การเปลี่ยนแปลงเราแค่เห็นมันเฉยๆอ๋อสภาวัตเป็นผู้เห็นเนี่ยการที่ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยก็มันไม่ทุกข์แบบนี้เนาะน่ะตอนไหนที่เราเผลอไปเป็นเอ๋อมันทุกข์แบบนี้นี่เองเนาะน่ะตติมันจะเป็นคอยเราพอเราฝึกติดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าโอ้ที่จริงเราทุกข์ตอนที่เราไม่เห็นเราทุกข์ตอนที่เราปิดเป็นแต่ตอนไหนที่เราเห็นมันรู้มันเฉยๆเนี่ยเออมันไม่ทุกข์แนาะเออ ไอ้สภาวะไม่ทุกเนี่ยแหละเราปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อ น, นี่แหละสภาวะไม่ทุกเนี่ยแหละนะถ้ามันจะเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานช่วงขณะนี่แหละนะไม่ต้องรอเราเป็นนิพพานแบบเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะแค่รู้สึกตัวช่วงขณะเนี่ยก็นิพพานเล็กน้อยปรากฏขึ้นในใจเรานล่นนะอืมแล้วปนฏะิบัติธรรมนี่บางทีไม่ต้องไปหวังผล เป็นอะไรนะไม่ต้องหวังว่าจะต้องเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาาริยะนะเอาความไม่ทุกข์ก็พอแล้วแค่รู้สึกตัวแล้วมันไม่ทุกขนะ์เนี่ยพอแล้วนะแต่ทําให้มันบ่อยๆนะมันก็จะเป็นนิสัยนะเราปฏิบนะัติเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยนิสัยที่เคยเคยหลงให้เป็นนิสัยที่รู้มากขึ้นนะ ไอ้ที่เราเคยปิปจมกับความทุกข์ที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ตัวเนี่ยพอเรากลับมาดูเราอตัวเราเองบ่อยๆเราจะเห็นความทุกข์ของกายของใจมันเห็นเลยว่าไอ้ที่มันสะกั น, นะที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจคือความอยากนะตัณหาเนี่ยคือความนความอยากนะความอยากบ้างความไม่อยากบ้างอย่างไงนะมันทําให้เราทุกข์ใจนะ ๋ยวจะพูดอีกอย่างก็ได้นะชอบไม่ชอบก็ได้ลนะเราชอบใจไม่ชอบใจก็ได้นะนะเมื่อชอบใจเราก็อยากเมื่อไม่ชอบใจเราก็ไม่อยากนะที่จริงพวกเนี้ยมันแสงอยู่ในใจพอเราไม่รู้ทันนะมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้มาเฉยๆนะหลวงพ่อเทียนหลงพ่อคงเทียนมันจะพูดนะรู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆนะ่ะคือรู้แล้วแบบแค่เห็นมันเฉยๆนะ่ ไม่ต้องไปพอใจไม่พอใจนะมันมันก็หยุดแค่ตรงนั้นนะหรือมันเผลอไปเป็นแล้พอเรารู้เฉยๆเนะี่ยมันก็จะผ่อนออกมาจากอารมณ์ได้เนะ่ะอันนี้แหละคือเราพยายามดูแบบนี้นะดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสับใจเนะพอเรารู้ทุกข์ตามความเป็นจริงนะแล้วเราก็ไม่เผลอไปมีความอยากมีตัณหานะเราทําถูกนะในกิจของอริยสัจทั้งสี่นะทุกข์เนะี่ยท่านบอกให้กําหนดรู้ ให้รู้สมุทัยคือให้รักนะเรารักปัญหารักความอยากรักความพอใจความไม่พอใจนะออกไปนะนี่คือทำกิตที่สองนะอริยสัจข้อที่สองนะคือสมุทัยเราลรนะนีโ่โลดคือความดับทุกข์ความพ้นทุกขนะ์คือจะไเรียนวิปปานก็ได้ทําให้แจ่มนะทุกขณะที่เรารู้สึกตัว ทุกขณะที่เรามีสติเนะี่ยนี่โทษมันแจ้งมานะแจ้งขนาดนั้นละนะแจ้งขนาดนั้นก็คือมันมันไม่ทุกข์วนะขนาดนั้นเราทําให้มันแจ้งแต่มันต้องอาศัยมักก็คือทํำบ่อยๆนะมักที่จริงก็คือชอบอะไรนะมักก็คือชอบนะแต่เป็นชอบแบบมีฉันทะมีความพอใจที่จะทําเหตุนะนะกนะปัจจุบัติธรรมนี้มันต้องมีความพอใจนะ พอใจแบบมีฉันทะไม่ใช่พอใจแบบแบบหลงไปรักนะหลงไปชังนะนะพอใจที่มีฉันทะที่จะทำนะเราต้องมีความพอใจที่จะทําเหตุในการสร้างความรู้สึกตัวเนี่แหละนะพอใจที่จะเดินจงกรมนะพอใจที่จะนั่งสร้างจังหวะพอใจที่จะทํากิจต่างๆกวาดงานวัด ท, ท, ทําอาหารบิณฑบาตเรามีความพอใจที่จะทําจิตใจเราจะมีความ เป็นปกติมันจะเกิดความรู้ตัวได้เองนะเราทาอะไรแล้วเรามีความพอใจเป็นฉันทะจริงๆเนี่ยมันจะทำไปแล้วก็มันจะมีความเพียงขึ้นมานะเมื่อเรามีฉันทะมันจะมีความเพียนขึ้นมาเป็นอัตโนมัตินะเราชอบอะไรที่มันเป็นทางกุศลนะมันจะมีความเพียงขึ้นมาเราปฏิบัติทำไม่เหมือนกันนะให้เรามีฉันทะนะฉันทะในสิ่งที่เราทำนะเราพอใจที่จะทำทางที่นะ ตามทางครูบาอาจารย์นะเพราะพุทเจ้าท่านวางทางไว้นะครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อเทียนท่านสอนพวกเราไว้เราพอใจที่จะเดินตามรอยครูบาอาจารย์นะอย่งเรามางานเนะี่ยถือว่าเป็นการเดินตามรอยนะเทียนธรรมลำลึกนะนอกจากลารึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์แนละ้วที่จริงคือการที่เราเดินตามรอยท่านด้วยนะทุกครั้งที่เรามีสติคือเราเดินตามรอยท่านนะ รอยของท่านไปถึงไหนรอยของท่านก็คือไปถึงความไม่ทุกข์นั่นแหละทุกครั้งที่เรามีสี็คือเราก็เดินตามรอยท่านไปสู่ความไม่ทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยคือเราว่ายามทําให้มันแจ้งทําความไม่ทุกข์ให้มันแจ้งให้มันมากๆนะทำความไม่ทุกข์ใ ห, กนะมมกให้มันบ่อยๆนะนี่คือเราทํากิจในอริยสัจทั้งสี่คือเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอรหรันต นะ ท, ที่ที่จริงพวกเราทุกคนสามารถทําได้นะให้เรามีความมั่นใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยนะพวกเราทุกคนสามารถทําได้นะแต่ต้องพยายามทําให้มันทําให้มันต่อเนื่องนะมีความพอใจก็คือฉันทะมีความเพียรนะวิริยะนะมีสตนะิก็มาประคองมาประกอบให้มัน ไม่เผลอเข้าไปเพ่งหรือไม่เผลอไปคิดนะบางทีมันต้องมีความพอดีนะสติมีความพอดีเราต้องรู้จักหาจังหวะที่มันพอดีพระพุทธเจ้าต้องเปรียบเทียบเหมือนคล้ายเหมือนเหมือนเราเราจะกําลูกไก่ในกํำมือนะลูกไก่นะมาลูกไก่เจี๊ยบ เ, เ, เล็กๆนะเรามากําในกํามือเนะี่ยถ้าเรากํา ม, มันแน่นเกินไปเนาะลูกไก่ก็อึอดอัดอาจจะตายได้นะแต่ถ้าเรากําหลวมเกินไปเนะี่ย ไก่มันก็จะดิ้นหนีออกจากกํามือของเราได้การตบคลองสติหรือการมีสติก็เหมือนกันนะบางทีเราเพ่งเราเกง่งเหมือนคล้ายๆเรากรรมลูกไก่ที่มันแน่นเกินไปแต่บางขนาดบางทีเราก็แบบเผลอเกินไปให้มือมันว่างให้มันห่างเินไปลูกไก่ก็หนีเอไปได้จิตก็เหมือนกันบางทีถ้าสติมันพอดีมันจะอยู่พอดีของมันไก่ก็ไม่เกง่งก็อยู่ได้นะ ในกามือสบายสบายแต่บางทีถ้าเราก็เผลอไปคิดอะไรต่างก็คือปล่อยให้ทุกไกใจมันหลุดมือปล่อยให้จิตมันตเตลิดไปนะกับความคิดนะบางทีก็ตั้งใจเดินไปก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเครียด น, นะนะสติมันต้องพอดีแบบนะนะเป็นสัมมาสัมมาสตินะการรู้แบบพอดีพอดีนะเราต้องพยายามหาจังหวะตรงนั้นนะ หาแล้วก็อาจจะไม่ได้ว่ามันจะต้องอยู่ตลอดก็ไม่เป็นไรนะก็กลับมาใหม่ก็ไม่เป็นไรพอเรามีสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะสมาธิมันจะมาเองสมาธิจริงๆคือความตั้งมั่นความไม่ความมั่นคงนะสมาธิเนี่ยเหมือนเราฝึกใหญ่ใบใหญ่เหมือนกับต้นไม้นะแรกแรกต้นไม้มันก็ต้นเล็กนะพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนะี่ยมันเหมือนต้นไม้มันใหญ่ขึ้นนะราก ม, มันมั่นคงขึ้น ตำต้นมันใหญ่ขึ้นลมนะ่ยมันพัดมาถ้าต้นเล็กๆเกนาะลมพัดมาก็ไหวก็โคตนแต่ถ้าต้นใหญ่ๆลมพัดลมพัดมามันก็ค่อนข้างนิ่งนะมั่นคงกว่าสมาธิที่จริงเนี่ยคือความมั่นคงนะแต่คนเราทนายไปแปรสมาธิคือความสงบนะคือความสงบคือความไม่คิดที่จริงมันก็ตรงแค่ส่วนเดียว แต่มันตรงแบบเป็นสมถะมากกว่าแต่ถ้าสมาธิที่มันจะเข้ากับสติแล้วก็ปัญญาได้คือสมาธิที่มันมั่นคงนะมันไม่หวั่นไหวนะอะไรที่เกิดขึ้นเนะ่ะเป็นผู้ดูเนี่ยมั่นคงนะไม่หวั่นไหวนะหรือไหวไปแล้วก็กลับมาได้เนี่ยก็คือมีสมาธิที่ประกอบด้วยสตินะเนะี่ยสมาธิมันจะมาของมันเองมันจะมั่นคงจิตใจเราจะมั่นคงนะ ไม่ว่าแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือใจคิดนึกเด็ดมันจะมั่นคงนะมันจะไม่ไหวไปกับอารมณ์ต่างๆนะปัญญามจะเข้าใจนะตามความเป็นจริงนะโอ้เรื่องของรูปเป็นแบบนี้เนาะเรื่องของนาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นจากการครวนาเนานะไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการแค่ได้ได้อ่านหรือฟังหรือการแค่คิดได้เท่านั้นแต่เราทําไปเยอะๆนี่นยแตนะ่นะบางที มบางทีแม่ออกเพราะออกเนี่ยไม่ได้เรียนมากไม่ได้อ่านมากบางทีเขาไม่ต้องกังวล น, นะที่จริงปัญญาไม่ใช่ว่าเราต้องจําได้มากพูดได้เก่งเทศได้คล่องนะอันนั้นยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงหรอกนะปัญญาที่จริงมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปรู้อะไรมากต้องพูดอะไระได้มากไม่ใช่นะที่จริงปัญญาที่แท้จริงกินแค่รู้ตัวเนี่แหละรู้ตัวแล้วก็ไม่ทุกเนี่ยนี่แหละคือปัญญาที่แท้จริงนะอืา รู้กายรู้ใจทำความเป็นจริงนะเราก็ไม่ติดทุกข์เพราะเรื่องของกายเรื่องของใจนั่แหละคือปัญญานะไม่ใช่ว่าต้องจําได้มากต้องคิดได้เก่งต้องเทียบได้คล่องนั่ไม่ใช่นะเราให้เรามั่นใจเล้ว่าเราสามารถทําได้นะนะเราทําได้นะทุกครั้งที่เรามีสตินะี่มันเกิดแล้วนะศีลสมาธิปัญญานะทุกอย่างมันพร้อมเข้ามานะตาม ที่ปุถุชนท่านสอนไว้จริงจรนะิงเนาะก็ให้พวกเราทุกคนได้ไพยายามทำนะอาศัยโอกาสที่เรามาอยู่ที่วัดพักมิ่งขวัญ น, นะในช่วนเทียนทำนลึกนะ์พยายามตั้งใจปฏิบัติเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคุณหลวงพ่อเทียนที่ได้นะส่องนะแสงะว่างทางปัญญาให้กับพวกเราในยุค ป, ปัจจุบันนี้นะให้เราได้ เป็นผู้ที่เหมือนต่อเทียนนะจากท่านเนาะนะครูบาอาจารย์ท่านก็ค่อยๆร่วงรับดับขันไปนะเราก็อาศัยว่าเราปุึกจิเป็นการต่อเทียนนะแห่งปัญญาเนี่ยให้มันสว่างนะนําทางชีวิตจิตใจของเราเนะมันก็เราเดินนะถ้าเรามีเทียนนําหน้านะในทางที่เราเดินแม้ทางเดินมันจะมืดขนาดไหนนะ เรายังพอเดินได้นะถ้าเทียนเราไม่ดับนะี่ยเราก็เดินไปได้จเมื่อขนาดไหนก็เดินไปได้ชีวิตเราก็เหมือนกั น, ช, ก น, กนชีวิตเราที่มีป ต, ติปัญญานําหน้าเนะี่ยไม่ว่าจะมีปัญหามีความทุกข์มีอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเราจะค่อยๆข้ามมันได้ทีละขณะนะเหมือนกับเราเดินในที่มืดแล้วมีเทียนนําทางเนะี่ยเราก็สามารถมองเห็นทางระยะข้างหน้าสองสามเก้าเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัด เดินได้ไม่สะดุดเดินได้ไม่เป็นอันตรายจิตใจของเราก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะเนี่ยเพียงแค่มีสติก้าวไปทีละขณะรู้สึกตัวทีละครั้งเนี่ยม่นเหมือนข้ามปัญหาข้ามความทุกข์ได้ทีละขณะเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะเจออะไรนะถ้าเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะมั่นคงวนะ่าชีวิตนี้จะเจออะไรเนี่ยไม่กลัวลนะอ่า เพราเราจะอาศัยสติปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะไม่ว่าชีวิตนี้จะเจอความเจ็บความแก่นะเจอโลค ก, กะระทำไฟบวกไฟลบยังไงเนะี่ยข้ามมันได้ทีละขณนะเนี่ยเหมือนเราเดินมีเทียนนาทางชีวิตของเราเนะี่ยเราจะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะออกไปเรื่อยๆนะเราเดินไปถึงจุดหมายปลายทางนะก็คือความไม่ทุกข์นะตามรอยตูบาอาจารย์นะ ให้เราได้มั่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำให้มันเยอะๆนะแล้วผลการภาวนาย่อมเกิดขึ้นนะให้เราเห็นชัดด้วยตัวของเราเองนะความสงสัยมันจะหายเพราะเกิดจากการที่เราเข้าใจตัวเองนี่แหละเกิดจากที่เรามั่นใจในผลของการภาวนาของเราเองนี่แหละไม่ต้องให้ใครรับรองผลในการภาวนาของเราหรอกให้เรารับรองตัวเองได้นะให้เราไหว้ตัวเองได้ ให้เราเคารกตัวเองได้นะ่แหละมันดีที่สุดเลยนะไม่ต้องรอให้ใครไหว้ไม่ต้องรอให้ใครเคารพไม่ต้องรอให้ใครยอมรับเรายอมรับเราจำความเป็นจริงได้เรานักถือตัวเองได้เราว่ายตัวเองได้นะเราเป็นพระแล้วนะนะเราเป็นคนที่มีธรรมะแล้วนะนี่คือเราพยายามทำแบบนี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นนะ พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนเนาะก็อาตมาก็ถือว่าวันนี้ก็พระจานทร์ทำไมท่านให้โอกาสได้ได้ปลาลกทำนะก็ผมเป็นเป็นแง่คิดเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กำลธรรมนะให้สามารถได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอโมทนากับทุกท่านที่ได้ มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ขอให้การประพฤติปกเมจันการประพฤติธรรมของเราจงเป็นไฟเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกให้สิ้นในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธอนสาธุเราก็จะได้กราบ